โของบดีสองฝาทุกข์เกิดื้เกิดเดวซ้ายซ้ายนอรเบิดมื่อดีเจ้าตัวเ่่ะแบเจ้าตัวนี่จะข่มง่งข่มยาลบากไอ้ทเจาหนากัน่มันเห็นทุกข์ขัน่เห็นทุกข์แต่ก่อนมันเนจังวะอริยสัจทั้งตีพระพุทธเจ้าบนตัดตู้ถกสมุทัยยีโดนที่ยางนบดนทกแแล้วโลด พระยงทุกอนทุกเป็นองไรทุกเห็นมจักทุกเป็นสอนมาทุกข้นกำหนดลูทุกขนเห็มุจักทุกเหมันเป็นไรมันทุกมันแก่มันเจ็บมันปวดมันบเที่ยงมันหิวปัตัวเนเป็นทุกข์อันไหนก็เป็นทุกข์เนี้ยหเน้วเห็นทุกข์จริงที่อย่างกทุกข์เห็นมุจักทุกข์ทุกโลกะนี้ตันนี้เปนทุกข์นั่นอื่นว่าเห็นทุกข์มุจักทุกข์ว่า นันจะหาข้างออกหรือบ่มาจทุกเรื่หาท้างรับุกต้องเกิดมอเตร์ไซค์านท่านจันทุกเแียวพิจารณาเนี้ดนมอเตอระไสนอูกก่อนอะไรข้างไม่อยู่นอถมนพิจารณาเราเหตุองทุกเกิดเขาพรเจ้าเอิญมาตัณหาตัณหาคู่ก้มเขายากอยากไปอน้นอยากไปอันนี้นั่นหักมห้ทุกเกิดแต่ไม่ใช่คนก็เอื่นเหตุในทุก คือมันอยากอยากได้นั่นอยากได้มอยากนี่นนอยากมี่่ตัวนึงเน่ตัวนึงท่านยาบบ่อยากให้กินนึบ่อยากให้เคื่อนะบ่อยากเี่เอยากให้แน้เาได้มากเนยคือเตาบ่ี่สบ่เห็นเนมันแก่นาท่นบอกบ่อยากให้กินเน้นันคนข้ไมาแล้วกานัเบ่อยากหนลนั่นที่อยากจะตมากได้มา่บ่อยากำันเนี่ะ อันน like, ี the side, ้เราต้องกุบบ้านทุบกันชีบานได้มั่งหม่เสียมันอีดัดของมันหมด่ายูมันเป็นตั้งกรมชาของมันผิวจังกันมันก็ต้องเสียไปต้องแก้มาเกิดันต้องรับเสียกระจางเกิดขึ้นรับไปเป็นอย่างสอนให้ละบาปละอัน้อยากอันอยากได้นั่นอยากไป้นี่อยากนี่อยากนี่ให้คอยให้ว่างว่ให้ยุบเหตุไม่ลูกทุกันลูกลูกหน้าคู่กันหน้าคนทุกัน เ่อหัหลงติ่หหลงยดาลกข้าลูกขาหน้าาจบางือง้นเป็นของสโครองหวงะลกนับงมันเป็นยังไงมนาบ่มันเือดเตงตนากบอุจาเป็นงามทำาเสืมนุ่นสิ่มมันอุ่นเอางามแต่วางงามซะอยากเออกเป็นที่บามันินไ ก็ที่น้าโดนกันแค่ไหนให้เงินตามข้อเปนจริงจะผนวเงินน้ามันไม่จะเน่าตัวหนงขันห้าบวขาดบวางบาราษามันมันจเน่ากันแค่ไใกล้ขา้ตัวได้สิว่าง้ามันจะไหนบาทมันจะเน่ามาเน่วไทจะก้าวตัวอย่างไรออกอยู่็นอยู่สชื่อไม่ิดกฎบนไหง้ามันจะไหนที่จะน่าหุงจับต้อกนดอกบาทเห็นบือเห็นน้ำไม เห็นน e. I mean. so, ิกนยกเต็อีกอันวที่น่ันขันั้ปล่อยข่างัมมาที่ทิปัญญาเห็นชอบนะ้เห็นแบปล่อยเห็นว่างเห็นทุกนะทุกลักนย้วข้นงของเขนี่เห็นแบบปล่อยเห็นแบบว่างนันถืเป็นัดกบานัดทุกายมิตทุบนนี้ทีน่ามันิทุกขนั้ย นันทุกข์ของงลึมันนดังสอนแนี้นแปล่ขรางนนอันนี้มันนยาก่านันเรื่องพเนตขอเร่งัหาัินั่นหละมันเกิดจากนโลภขางนอกนมันอยากได้มันอยากมมันากแวมันกจัดนโลภออกไปจากใจยังให้นั่งข้างหัหันกัวมันกลักะจางลงออกเสียลงเนื้มันหมดแวมันก็ายสะอาด บริสุทธิ์บาดในใจเาะจนกระอื่นโลดขึนรับทุกข์คำยังไส่สำนึได้นาะนัแล้วไส่ตรนี้เพื่อมันตรงนี้มนนัดมันแล้วบาดตรงนี้มันจะกลุ้มอดตึงทั้งมันจนมันหันห้าดังไปจีบจังว่าไออุ่นนังนี้หันฝังมีนู่นค่อนนั้นนะเจ็ดฝังใจหวันเขาเป็นเน่ามโตมันออกออกอย่างเดีวขาตายแด้ว ต่ไส้นี่ที่มันได้ยืนึ้างหลัแบบมม่ไหม่บได้บาทน้างเแต่นั้นเชื่อว่ามันถูกบาทอะไรอย่างงไปขาช่ว่ารูบ่ายในนันมื่อันซันนันเน่เมื่อมอห่อนคว่หนนะมันเป็นตัวที่โทกสุน้รมันหดือนรอนเลยไปยางรับคว่ำห่อนั่นหนนันหางารูบายตัวห้อนเนียมันมนโมเพ่แต่มันเป็นตัวไส้เนี่ยไส้มันต้งมีเชือ นี่งนี่มันมเหน่ติดัไหล้วนะมันจะไงก็เอาเทามันออกก็มันก็เล่าเท่านั้นมันก็โดนไงแต่ว่าบานนี้ข้อมอดตุนของมันหนุนโหรว่าขอมันแก่ยกโตมันมนโตเท้าจเอาตินี่จน่งนอนดูปคั่มมันท่ก้อหนดคจีดนเก้อนไอ้หอนสูงมากก้อเราจะจิกาตัวไหนหมนี่ยากกนี้าเราเห็นโตโตมันหนนมันห่าง เมื่อก่อนมันเห็นหนึ่งท้อคได้มาหนึ่หาบวเห็นเป็นจังไสยานเทศมณีซะก่อนเห็นมันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดจ่านตัวลูนั่นจังสีห์ของละเอียดย่านนั่นปรละเอียดเนีมันหนักมันสเห็ในเนื้อสันนิย่านมันจิกมองเห็นว่าโตกจงมันหึงจับทำนี้ย่านเกิดขึ้นนั่นจึงเภาวนาก็ย่งต้อไปาวนา หระองขอนอวาน่าผู้ที่เจรณาของท่านตามข้นพูดจริงจริงหรอกนั่นยังไงอันอันทกั่นลูกนั่นยังไม่จิตนั่นนี่เป็นเป็นจตจิตอุหันก็นกายกายอุหันเดิ่งนั้นหจักงัดป่เอานม้หงุดหงิดินคือนามดินไฟดิรอนมันมีแนวอะไรอย่างกายทุกคนทุกคนเดินมาเห็ดไนามมาเห็ดเอ้มาเห็ดเอาใฟมเห็ดนั่นกระหานที่เราฟ้องหันเลยมันอยู่จังไหน ใชมันเป็นคลองน่องก็เป็นคลงเย็น่น้ขเย็นบดึงก็เป็นคนักอ่บ้องเก่าคอง้างบ้านแลวะกโชโคไอินาแต่อาม่เห็ดูเข้า้านนันจะเป็นม่น้เดียเ็ดแล้วมันจะมิฮ้อนนิหนาวนี่สะโกโชโคเกงก็ยังไหลออกไ่กันพของไหลยมเห็ดให้ที่จะน่ากันเห็นว่าบมเมนของเข้า เทาเหตุถุนคือถากันถุนมาแทงถุนมาก่ายก็ไปถุนนั่นนะแต่ก่อนท้องผมถุนเลใจมนคือห้องผมอีถ้าเราคจะได้เทาก็เหตนาจยูยนจันดอกเร้องเกิดองน่อนน่าถ้าเหแล้วผลมาขอ่หตุนินบบาทเาเแล้วมเห็่านะนีคือการกันตุคุณไม่แด้ลยาต่าายเหัวเท่านั้นองก็เทาจีบบาท กับงิั่นบาทหน่งเงินม <tak institute crowded feliz> in uh ่เ huh. ท่าบ่อบาทเงินเป็นกระปองงินอยู่บ่อถ้าสั้นเ่ยมันไมเปนเ่ามั่นหละเป็นเท่าัน่ยมันม่เป็นเท่าพั่นอาให้เอาอย่างม่ให้ตื่นตานังนตั้งีเลสีอัะนัหนัก้าโทักแบันม่เป็นเท่าเลยเื่อนบาแกเทาออกมาเหตุผลคือแล้วไม่นโตเ่าบาอย่างที่หนานีคือกันบ่างกายาม่เห็ุเอาใจนี้ใจมันไม่โตหรอกนั้้คือเูนี่ คจับวะอาหนัไม่เห็ตันไม่หนน้าเด่นนั่นโมเมนเทาวาดนี่ไม่เห็นอันนี้คือการร่างกายคนจังหวะอนัตตาโมเมนตัวตมเมนต์ตนโมเนของเท้าโมเมนต์ของเขาถ้ามาอาศัยมันคื้อถ้าหลงอันนี้หลงโลกหลงว่างอันนี้ถ้าเราเลนไยู่วัม่ยู่เพื่อจะถูกจับเลนไม่เป็นจังไหนมีน้ำเขาคึ้หลงมั่นขอ้ยากไดมันขึ้นแบบนี้มั่น ันมเหลี่มันจเป็ของบ้นอยู่แล้วมันต้อจักได้บ้างเมื่อเวลางจักสิมลมันตึงกันบางเวลาลงคอย่างนี้อ่ะถ้าลงจับได้ทำอไหอไปถึงถุงแต่นีจับบงายคือพวกึ้นยังตีกันความบริวญมันตงมันลงจับตังไดบางเขียนเยอะุงคนหมดเขียนไปเห็น้าของจับอยู่มันบงจับกนาจับมันจเป็นยังไงน่ะเทากับขางบ้านอยที่ดกเขาอยู่่างจ ย่อมที่เาจเขาอยู <like. S 1> mm ่ในนี้หรืไม่อู่ใัวเขาใรา้างานเตรียมว่าใจนี้หรือไม่ให้มันเ้าใจบริวญมุ่งหรอกคุเองคุณ่เปนเคืองหันนี่จิตวัดตรงนั้นเลยว่าไม่เองนี่ไม่เนอจะี่ไเป็นสิ่งเราทำเนคนทเขาจะถึงเขาจะได้จะไปถึงคือเขาอยู่ในหัวเราไม่เห็ที่ได้ไม่เห็นได้มาในใจการจงจะได้มาจงจะบ่มันเป็นสัตย ใจมเป็นก si so, ันเศษเน่างันมันเป็นน well, ่างันจังงค์กับารี่มันคือกหวานนั้นขาไม่มน้ำมันแล้วให้หวามันจะเป็นก็แล้วแย่เขาว่ามันไ่เป็นก็แล้วหานถ้าคุกจ่าท่านเทาใดน้ารางกายมันจะเป็นของเท่าน้แล้วเท่าก็อยากเห็นมันสวยมันงามบ่อยากเห็มันแก่บ่อยากเห็เจ็บเห็ตายสมานคู่กันดันไม่ดูแลเขาจังกับารนั่นก็เป็นหลักพ้นคู่กันให้บ่แก่แก่มันแตแก่ ให้โวยเหจ็บตั้งแต่เจ็บให้โตายเมื่ตายใหักป่านว่าโอยนันตัคุกคือัว่คคือดอกกุวลานันดูเป็นต้องู่กจะเป็นจอกบองนันนันเป็นต่างคุกคือ่แน่นคนมันจหักบานมันเียแน่มันแ้ง่มืเจ็บตั้ง่มืตายตั้ง่มือตั้งสี่มนมาทกวันใจให้ทุกวันตายก็รู้เลยคือห้าน้อยนั่นคือเก็หมือถ้าเหตคุณยําก็ด้อยู พราตุามันก็จัอย่างนนึงไปเขาหนึ่ก็จับหนึ่งเนี่ยบัตรทองมันไม้เอาห่นหัวจับบ่ไปเมื่อเนี่ยโอ้ปขื่เมื่อใ่่ขนี่นหัวจับ่ัวขาดมันจะปูขื่อบาทัจเข้าท่ของสิสิ่ไใออกก็ม่เาจัสาเอามาเห็นก็ม่เาเป็นจังหนจักายแต่ังสรูก้าทีเดวบนี่ยาก มันจะต้องเข้าข้าวของผมแต่ทวกข้าวอยู่ไะเบีนหาผลม้เชื่อมชีได้ยัไม่รู้ขึ้นกรกเรียกงานได้ยัง่มแรู้ก็บอกมันต่างเดงมมันมีต่างมันจะเป็นอะไรนี้แต่เข้าเป็นผู้กผู้แก่มันอยากเข้าหามื่อกี้แต่มันเวลไปมันมข้าวของผมเข้าไปเข้าเมื่อกีนึ่เมื่อกี้เขาบอกอันไดมื่จกี้จิดแจดจีนว่าเขาก็บ้าแต่เป็นนั่นเวลาผมก็หาพระบุญโตใจบุญโตนี่จะบอกกูคือ เออันนั้นเพราะนี้ทามาอยากอันนั้นเพรกะสภาพมันใช่แต้นสภาพหลังเดรเพราะมันง่ยับชื้นั้นเอาแต่ห้าวเป็นสุน้ามันก็แค่ชีวิตเจ้าในตัวบัานช่วยมาชุบในนอกน้อมันมากระดุกในนอกเาจะตีสมบูีบ์มีสมรูนากายเท่านั้นมันคือไม่ช่วยยื่งกันเรคจะพึ่งความใจวิวทำาม้หอบไปแต่เราเห็นว่าท่าตายใจวิวรู้น่ะเอหอบก็บกิดบปวด บ่เผาก็บ่เก็บก็บปวดเราไปนี่ก็คือโรงสนุกทันใจีแล้วอามด้กันตายห้องทันใจออกมันจะเมื่อนั่นให้ดมเมืกอนั่นเราสิบนไหนเป็นตะหอบบาทบนไหนเป็นตีหยัดตีบนไหนเป็นไปหยัดได้หยัดได้ก็คือหยัดได้ของ t ะเพียงไปไหว n องเงาของหนิ่องนัดมือตีเผาีแจ้ต้้เงินเดี๋ยวก็เห็นหนังขบโบมักร้เนี่ยบโมักต้มแจ้ขบโมักต้มเก็บขบโมักตมตายขบโมัก เพื่อไมให้ผากกันกบมากมันหกกันกับบมากอยากให้มดูต่างกันเรเตรียมเาเตรียมเราใส่ผูคนมากมันมีที่บาดในโลกโดิมๆที่หาแต่กบพ่อโรอปัญงานี้ียงมันี่แบกเทียงมันก็วัมาเราของมนื่อนใจพจังบระจักษอันนั้น้งตางกันไม่เป็นยังไงเอาเขาเป็นแจ้ก็บเป็นคิก็บเป็นเกิดไม่ที่เข้าก็เกิดบเป็นม่ได้โอร มันสบายทาเดียวจกงมันนั่งอยูุ่่มเมื่ท่าเด็ไรนั่อยู่ปุ่มดูใจปุ่มใหเขาไปหอดใจเขเห็นใจบ้านผดึงใจเห็นใจยังไน้อใจกันที่อดที่ฝืนที่เห็นมั่งมันจะห่างกันเดียใจคู่รู้เนี่ยนะคิดนั่นคิดนั่นคุดนี่คิดนั่นแกงี่เขาเออจิตตสางๆนานามันมาคิดมาปุ่มมาแกงมาเหู่นั่นแหละ แต่วน no, ิ้วโตันเป็นผู้ตังมันเป็นง่ายเพรนั้นใจมันเป็นง่ายตายเป็นเบากายเป็นนใจใจเกนผู้ตังไห้ใช่นั่งไม่แต่นี่ก็ไม่ใหทุกข์เปนบาตรกร่างกายทุกข์บาฝึกบังคับใจฟังห็มันเห็นแม่บอกมันได็มั่นใจเถิดขั้นใจบอกขืนอะไรด้วยของโมโหังอยางฮว่างนั่นเสีนี่มันกระทุกเสแหวั่นทุกข์ง่าย ใจกับทุกข be. ์ตายกับทุกข์ม่ต้องเจียวตะข้นจีเบือจีนายจีเบ่อยากได้เนี่ยเฮาเห็มันเป็นของหมดอย่างอยู่น้ำมันก็รู้ว่าหาทางออกคันจับปลาทุกคันโม่จับปลูกบ่ออกเด้บ่นไอ้กระไคันุจับว่ามันถูกมันจะหนีคันไ่จะวางวะกูอยู่อยู่นะจำหอตายตายแล้วก็แล้วมันจะวาเด้มันจะแล้วนาวนา แค่ที่จรงมันโาตายใจห้อมันตายตายกับร่างกายห้กกับกุ้งื่นแท่กับหืนขนาดเจ้าของหื่นมเท่หมเฮาขังนั้นเขาเองไใหม่จงมันก็มดดึงหั่นหเฮาบรใหม่้บ้างเฮ้าปหาเห็ดไม่ได้พเก่าหน่อมันเป็นซี่ดอกแนวมันเมื่อว่าตายก็แล้วดอกมันก็เสียมันติดปะทุหนงมุตรวะมันโมเนยนตายก็ทุกข์พ่เก่าว่าคนนีพอมันสุดพอดึง่นม้วนที่้งีด พี่องเขาผิดค<S 々>ุดทอดอันนั้นอันนี้คุดป้อดยู่เนว้ย่านตายอ่ะคือทอดม้นนี้เป็นห่องม้อนนี้มาในม้นมัอนพวกพี่ก็เป็นหวงผู้ตายไปจริงๆนี่เหรอมันปลูกขั้นกันเพื่อนมารัมตัมปลูกขั้นตัมเป็นโพขั้ตามกันไปอย่างเงี้ยโบบปล่อยว่าันจะเือยึดกันอยู่จังๆเป็นเรื่องเลยแต่เรามันถูกจนจะเห็นมัดตัดตัด้มดิบมันหือมัน บาดเป็นเห่าเป็นเขาบาผู้นั้นเป็นของเข้าปุ่นนี่เป็นของเข้าอันนั้นก็ของเหานี่ของเหาให้ปล่อยให้ว่างบวาบาดโมเนของเหาดอกบาแล้วมันก็บปอยู่น้าเห่าเอาดินเอานามเอาลพบออกไปในตัอโตเหาโบนีใจนันโบนี่โตให้กระเบืองใจบาถามหามันอยู่ใจก็เบื้องคู่นั่นคู่ใจู้แต่บมนตผู้เห็ดนี่ผู้เห็ดนั่นเห็ดนี่คือกาย ถ้ากข้อออกความเมตตยใจโบม้ามันตั้งองาตั้งหนเนี้ยคันไปดึงกายโบมิใจบ่าอาจจว่าหวยใจมันตัวนี้ยางนีอยู่นีตายอยู่น้มันก็ไม่ตายอ่ตายเขาดินนานฟลือมันจิมันตายมันเกิดมันตายใจมันก็เกิดมันก็ตายมันบนักีมันม่แน่วามัมันมบ้างถ้าอยู่ว่เห็นบา คันบ่พวันห้าบ่พิจารณาบ่มีจิบ่มีสมาริบ่มีปัญญามันบ่เห็นใจบานมหาบ่เห็นนี้โตคนยังสอนเห็นักศาสนาตุิเจ้าผู้แรกสอนเห็นมือต่าเสือพระพุทธเจ้าสกปเสือพระพุทธเจ้ามาเป็นศิษย์มีความสามารถเน้นนำคาสอนจากกลงเอากระโดง อันนี้จะทุกได้จรนะเอาหลิงคนเบาหลิงนว่าเฮา็ฏิเสธปฏิัติเพิ่นนํานี่ลูกเต่เราสาซือพระสงฆ์สากเป็นปฏิจจใจห้ยตามเพิ่นก็ได้สําเร็จมนกผลคือเพิ่นเฮาปฏิเอาแบบเพิ่นเือเพิ่นมันใจในพระพุทธในพระธรรมใ้ประสงค์นะศัากอมเชืจะเจ้าดันดอกศัตรียิ่งบาเฮาก็จังสีหตน้าได้ด้บาตรธรมุษอัมมเหตต์เฮาเชื่อมันไม่ใจเฮา เอ็ดเบิ่งรองเบิงเชื่อพระพุทเจ้าร่องเืองพระท่านประสงค์เบิงเสียงกันเขาก็มากแต่มากข้ามจิตเนี่คนบอกท่านเจ้าคนว่าให้เจ้าละก้มโลกเล้อให้จะาิีมก้มโคตรตีมก้มหลงอันี้เกิดว่าจากระในบ้านเข้าสละโมหิจิตท่านบอกโมหิจินมันเป็นขาตื้อต่อใจเข้าอันมีก้มโลกก้มโคตรก้มหลง มันจะมอเห็นใจกันมาหันเอาขามโลกข่มโกรธขมหลงออกมันจะตีเห็นใจเจ้าของสว่างสนาห้องมงจักบาเอาข่มโลกโกรธหลงออกมันก็เห็นควานั้นใจมันบอกมีเน่บังอันนี้บังเขาจังมอเห็นใจอย่นโลกโกรธหลงนี่มันบังเป็นการเอาทิ้งตั้งทุ้งบาสจิตกลองโลกโกรธก็จินม้าบาสจิตคือการรักษา าว่าจากการท่กงจำตัวนี่ละขาดสารรักษาประพิติในกามหัวกินเอานี่ละนม่ละจินมิ้มหมแไม่ออกจินพอออกสินหนาโลงมหาคอท้อนิไม่รักตายมันได้บ้านมันว่าให e ้มหน enfin or or ันบริสุทธิ์บริสุทธิ์คือบวชพิษนี่ละบวชพิจแโตหายางไม่ตลอดนั่นเกิดมาบวชพิษบ้านนี่มันก็เกิดแสงสว่างในบ้านกินนั่น มันตัดพ่มมืดออกยิ่งตัหาอมันมืดหันหหลงนั่นมันติดจิตวานมัก็เลยอกหนีแล้คันน้ถึมแล้วเอาหลักษาพว่มตัวบกของมากเจมกับใจบานมันไอไส่คืนบางกัเหตสมาธิบาสันเหสมาธิพุ่มตั้งใจมันบามันนีันบมันใจเจ้าของเห็นใจเจ้าของขับเบิ้งกยเจ้าของเลยนะ มันอยู่ในนิแล้วใจย้ำใจตายถึงน้ำใจนี่บัดโดยเหลีวงจตายมีดอกใจนันก็บังใจตายเข้านั่งหนังเบิ้งมันจะิมเบิ้งมันจะเป็นหนังให้เบิ้งหน้ากายมันจะแสดงอะไรของเบิ้งเบิ้งว่ากายท่มตายเป็นคท่ำตายเป็นูสอนเท่าอาจารย์ใหญ่อยน้ำที่สอนที่เบิ้งก็แสดงให้เบนั่นแหะท่านพ้นเจ็บ ตนนันนกเกินมากคนจอดมีแค so ่เก็บเป็นห้องหุจัดายอันนี้นานขะนังนี่นัเมืองเจ้าของน้ำมันี้ไปใจใจนั่นบงออกนอกทก็คือมันเห็นที่ในกายข้างบนมันมันจิตห้องหุจักมันปวดอันนั้นอันนี้หรือมันห่อนมันหนาวหรือลบมาพัดห้องหนจักขันข้างบนอย่นี้เราก็เห็เบิ้งขั้นเนี่เบิงอันนั้นนกทีอย่างมั้นมาเกิดถึงเยนหนึ่งมันเป็นลมหรือเป็นผล ท่นเป็นลมกระเอิญมาลมท่นเป็นฝนกรเอิญมาหน้าท่นเป็นห่อนก็เอิญมาต้องจักนหนี่ยวบาูเน่ยหนเห็นจั่ต่อการตลอดเวลาเห็นองเมื่อจักเลว่าันเบิ่งโอ้ห่อนก็ทุกหนาวก็ทุกเย็นก็ทุกท่ไดแนวทุกที่เอาคนไนในกายอันันเบิ่งยิได้มันมันจะแนวเบิ่งอดหมันเห็นแนว้องเบิ่งนั่นที่เบิ่งไกเห็นวันหัน เบิ้งลงกันมันก็มุจักเรากบเบื่อกระน่ายกระนั่งเยี่ยบันขั้นลงกันมันจะแจ้งนะมาจิตตั้งใจมันใจมันจะแจ้งคองมาใส่กระเห็นมัดมันจะเป็นพื้อนเป็นไผ่ไผ่ใจดอกบนไผ่แนมนี่ใจก้มงูตึกนอันเนี้มันตูจักว่าเป็นกันเร่องที่แจ้งขึ้นมันมีปัญญาบ้างกอดคองมองเห็นมัดตัวเนี้ยดูในสายห้อง เงี้กระตางมันโดนไปเจออันละอันอาการสามที่สองตาหูสมอกดิ้นกายใจเบิ่งเพ่งสนับเบิ่งลูกเบิ่งเสียงเบิ่งกินเบิ่งรถเบิ่งโสดสะพะเบิ่งทำมาล้มทีมันน่ะสัมผัสเท่าสัมผัสคือมันมาถึงต้องงานบ่าลบมันึงข้างนอกมาผัดสายเท่านั่นเอิญมาสัมผัสเพราจัหัจักหวานล้มหวนล้มแห้งล้มควายจักครังสัมผัส คันหมามันตังปดัดปูหูเนบโมมิงีซื้ออยู่เป็นย่างที่แล้วคนท่านเห็นบนเห็นเงินใหพิจารณาเนื้อกายจนมาสมาธิข่มตั้งใจมันมันเน้นนกายตัวเองพิจารณาายจนมันเข้าใจเนกายบ้า น, าานโอ้ยมันหมดเสียงที่เป็นวายดีตัวเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่ปนวายตัวคันเ้กายมันโมเมนของเฮาดีตัวเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างส ผูอื่นคนแจ้คนตายหมู่เบื้องคนก็บอเป็นของคนเท่ากัน่นก็นิจจักเขาไป่ให้ของบทีอีนั่นแหะโบมิโตมีตนมันบทีอังมมันโคงบท้่งโตมันเป็นสีแ้วมันต้องจับหลูการโค้งเป็นจริงบาบทียงมาเป็นถกคือคนโหนดีตัวเนี่ยอันหนึ่งคนมาแจ้งก่อนแจ้งในใจนะนะคนมันต้องจับมัหเาเราแจ้งใจนะนะโวแจ้งก็จีมืดโงจับ เขาวานนะบานี้เขาขึนาาานนาน้นไปยังที่เลยที่แค่ห้าประโยคแกล่ะใจเขาแกล่ะผู้จับคือแมงขันอง่หรือเปล่าขันวางขันหนุ่มแมงพ่วงนี้ดีหรอกแกล่ทขันมาแจ้งะนัะ่นเราพ่วงแจ้งเป็นอารมณ์ของของการทำสมาธิเดชแจ้งมันแจล่ะมัแจ้งใจนั่นที่แรกเป็นวิจารณนามันมีจิตตกใจนะอารมณ์อารมณ์ของก้านกรเอิญอารมณ์ของสมาธิกรเอิญ ทันเศรษมัทธิมันต้องเป็นทันติมัดทุกคนมันต้องมีหน้ามีเกิดคืนเกิดึ้นพระห้เบิ้งหน้าวิโตกวิจารวิจารณะบานติพีขันแจงเลี้ยวพิจิตรุงตึงในใจหัวจังหน้ามันแจงใจเราบานมันก็มีค้ามุลประวัาิมันสว่างสวัยในใจของเราเกิดขวามสว่างสวัยซุกซันหันสารจิตในใจบาปแจงใจบานหน้าเลีว แต่ว่ามันสบายดิมันแจ่งมันแห้งในบาทคือเขาเห็นสงนั้นหนาโมจับปนหัวจับแก้วหลุแจ้งในใจเราไม่เห็นมีนแห้งบ้านดีอกดีใจอิาทร์นี่แหละพ่อมดีใจนี่แหละมันเป็นเหตุเาติดบ้านเขาละม้วนละซื้อมันแจ้งในเบื้งนึ่งมันสบายแล้มีค่อมดุกนะเพราะเขาแจ้งใีสิ่งที่เขาเบื้งนึ่งมันจักจบ้านีมันก็ไปกูแนวออกไปฉันนั่งนี่สุขพ่อแบบมันสิเจ้าสุข มันเป็ร้่างความทุกขมันจิเป็นเตะวันเขาไปสูใจวันใจเป็นนึ่งบันปเดนเตกกับการอารมอารมณ์ของใจวันดุจใจของตัวเองนี่เป็นใจบัละเมอนันมาแล้วกับพิจารณามาแล้วหมดเลยมิ่งยั้งมเมนตของเ่าของเข่าผ่านมาแล้วมันขมมํามในวันยังไปใจบนยวงว่ายังไปใจบัแงสมัยแห่งวันไปใจ มันม่หาทุก like ่อย่างเขเห็นจังนี an ans, really ่ตัใจอยู่หวังว่าหินควบำว่างของใจใจว่างหวังแต่ยงโมเมนใจอีกควหูทุกทคืออันนี้เป็นจิตอยู่คือนเราเรื่องของจิตเป็นอารมณ์ของจิตยังบมทันหัวใจเลยเอาหัวไปดืดูมันเป็นเรื่องของจิตอยู่จิตมันสิมาตักกับนาบ่ามันเหียกมันเมื่อยมันเศร้ามันเบิ่งเล้วจักเลีวมันไม่เศร้ามแห้งันาดยิ่งเขาไปเห็นงานมันเนี่ยเดีวเศร้าสะกนนะ กเอืนมาอยู่น้ำใจาบานบยอยู่น้ำงานถือเราก็เลยเรามีแห่งคือนอนหลับสนทนะม่แห้ดีว่สิก็เลยี่คนสุกบนดอกอย่บ้านสมาธินีบานมัหลงนินบ้านเป็นสุคนนดค่ดอานางไปมันเป็นอารมณ์ของการภาวนาท่านในของตั้มเก็นอารมณ์ของชาติภาวนาตั้มสมาธิเอินเป็นอารมณ์ของสมาธิคือค้นบ้างก็ได้ อุเปขาบ่างเข่งบ้างจริงทั้งปวงที่านมา่บ้างมัดมันก็ยุบบ้างเท่านั้นเรายุหันบ้านมีจิตยุหันกรลึกมาอีกเท่านั้นมัดท่านบนให้าวั่านสมารถจริงหอหันเขาท้านกระห้องหันมกระับเท่าแต่มันสบายได้ดอกมึงไม่อยากลับงานเด็บ่อยากขับแต่มันเก่าอมันจะมาอี่อนที่ับข้อมันมีอารมณ์อารมณ์จิตพานขับไปไปสัมผัสกาเของึ้นเกาน่ะ จะวมาอนหม่าบาทมักองแจกเอาที duda, wa, ou, ่ก anyway ่อนก็คือเข้ามักก็ุกเขาเบิงเบิ้งแต่เยวบาทแล้วนันหลับดิ้งไข้ตัวมีคุ้งฟุ้ก็เอินจีน่นั่นหลับฟ้าชลุกเล็มั่มันก็ควนห้องกเรากำลังนอนดีไว้นี่ก็ม่ถูกใช้นอนมันควแยกข้อมือเดียวมันจะไข้ข้อหมอนแต่ีนะาแตละดุก้อยีหรือมาเบิ้งนักนั่นแนลบมันก็เกาอยู่บานมาเห็นมาบอกฟันชื้เกาผมมาเที่ยวจิตจงงบก็ยีชี้เกา แต่เขานีผมได้บ้านเขาหนีไปเขาต่างไปเขาไปผักสวนเขาก็ดีใจเขาหนีไ้เหมือนผมก็ควนใจนาบ้านนี้เขาไปนอนเขามีแห้นาวคือบ้ามันก็ไปอีกหลอกเพราก็ขาเไปมองเตาของบ้านแต่อยนข้อมบ้างกุ้งเตา่นาะบ้านนี้ก็สบายอย่าดคือเขานอนเฉยสบายมกันบ้านที่จะออกจะหันว่าจออกออกมันสบายมันถูกมันมีแนวานอารมณ์่ะดับมันสิมาก อันน น, นะบอัหนึงมากสัมผัสอีกเ อ, อ, อื้นีกอกวาอยุงีนั่นน่ะเลยบอลเลาจักเอมันเป็นของบอลลเพราะโลกเขายึดถึงเป็นโลกบไปอยู่กับอยู่โลกบอลไปอยู่อันเมืองใจนั่นนะแจ้ว่ามันเดี่ลบพระมูลนั่นเนองมไปเอื้อนกัามูคือเขาบ้านนี้คันพ้นหันไปบ้านนี้เป็นเมืองใจได้พ้น บ, นบนบางวนะ่างะเขาบยึดบทีพันเาเลยกายุบ้านอันว่างอันนี้ หายังหายัง อ, องารมณ์ของท่าน ใ, ให้คับอกบรรได้สิครับันไดสิขกไปสู้เมืองเมืองใจเขาขุนละนี่มโตกขันที่หนึ่งนิจานขันที่สองิติขันที่สามุขันที่สีุนอุเบกขาตั้ใจเป็นเอกขึ้นนึ่ ง, น, งนั้นนักันที่หาเป็นที่สอง เป็นคันใหนวนว่นเหยียบไปซื้นแต่มันขึ้นไปมองไปมันถูกไปทุกไปดีใจใจนะเราไปฆ่าอยู่กันอาหันก็มันติบุพพท์เมื่อใจเด้มันไปง่อยหันคนสบายคนดีปุกดีใจลายคันทิ้งก็เสียดายมั่นไหวมันเอามวนเราซื้อสบายใจหันไม่ขงหันมันเอาบพพเสน่บับัิพต้องทิ้งันทุ่าอันบ้านว่างขึ้นเลยยันหนีผมบาดันไดน อง่าตึ mm. ้งเลยม่ต้องไม่หยาบไ่หยีมันก็ห่อนใจร่อนวานันิม่านี่อันพุทธิมณีห่อนเนี่ยยังมหนข้างเขาไปหาใจเงินอันว่าสรรมะสิเมื่อเห็นเขาท่านั่นลูกช่างอะลูกช่างอันมันบ้างเป็นลูกอันนั้นบ้างเป็นลูกไอพิจนาณ์นี่ยทิมวานทิมว่านี้บอมเนรบานเฮ้ามัดทิมว่านี้ผมไม่ได้ไปอดใจว่า คัดทอดใจมันบริเวณนั ung, ้นม่นทอดบริเวณบริขืบริพุ่มในแตงบานมันจะเกิดขึ้นเองมันของเป็นเองเป็นเองมัดผูกแนวมันเกิดขึ้นทีใจหันเทศแห่ใจห้าวของจักบาสนั่งหดปุ่มอย่าจักหักจักใจจะของไรบาสนั่งหดบ้านใจไรบาสนั่เห็นใจโรบาสนั่ใจเป็นยังไงหุ่นจักควัดบาสนันก็ติเพื่อนว่าเกิดยากคัดทอดใจเกิดยาก ยันวิเศษที่แสดงเรื่องของเข้าเพียรเข้าข้นมากแต่เาอยู่ในโลกสิดแค่เพาะใขงวิบัตเนี่ยนะตั้งแตโตนทอดมือเขาิโคามันถึแสดงให้เบิ่งบาตรญาณมันแสดงให้เห็นว่าเป็นยังไงสั้นท้องสุขทเขาทุขมากยังไงสั้นเอินเบาประวัติในฟังใจก็เลยมีจักรบาลใจอ่ติดเนีเห็นมันว่ติดแค่แมวว่างวัดคอยมัด บ่หย <Yeah. S 1> ุดบติดงาแนวมันแสดงให้พงก็ได้นั่นแหละมันว่างหมดหรมันไม่ใชใจบาไม่ใช่รู้ก็คือูแล้วมันก็ว่างู้แล้วว่างบริบดติดบ่มีแมวยัไปกาใจบาตอะนรแม่เถิใจเขาเองสักแต่มันบ่ถึงไอ้ก็บ่ถึงอันบ้นบานมันถึงยาไปของห้องทันเดวให้มักโกดก็ได้อนาค่าัก็ที่ดีก็ได้รหรนั่นมันไม่เป็นสัน มเมนต์มันจะเกิดยังไงเกิดช่อนะแนวโลดบวกเกิดอีกแต่ถ้าไม่เกิดเราหังเห็นวัดโลดโลกพอดวดแองวัดตูนิ่งแตมันเกิดเป็นนวน่ะแต่มันบเกิดขันห้องบวสมควนเกิดขันห้องละบวไรตัดบวไรเงินบวเกิดนี่จะคือแต่เราโอจีคือันมะเกิดม่เป็นเองแสดงเห็นวัดหวาเบื่อหนายวัดขันมนเกิดโมไม่ติดยัดนิ่งเป็นแน่ขั้นลง นันน่นนะจะหอใจก็เรืองสันแต่มันโมหะขันโมหะคือวางโมหะจกคนขับมันเป็นสันจังสี่หอดขันบ่ถีงหันบ่เห็นใจให้พวงมีสันตี้ก็นั่งสันไสกระดาษขาวนาบ่ข้าไงตอนไหนนี่ข้าวหน้าชิมบ่แม่งเอาบ่เอาเจ้าแม่งของเนี่ยมิจะถิ่นมิจะปล่อยแต่ว่าบ่ถิ่งอย่านี้ไปเลยเอาใจถิ่นดิ้ือบ่ให้ยึดว่าอนั่นกัของเฮ้าอันนี้ก็ของเขานี่ยน้ำบ่ให้ว่าให้ว่าของโลก มันเป็นของเท่าเขานของเขาของตั้งอยู่เขาโรกนี่ดรอกม้วนเาผมากเขาตือเขาม่เบิ่งเขาตือนมันหงจักเขาตือเขาหงลี้ยวเขากระจิ๋เมื่อ้านเขาดอกบุญดักเมื่อใจบในวันนันส่ะมันก็แ้หรอกเหมือนบมื่อวานนั้นที่เไปว่าไรเยี่ยโอ้ยเจริญไอ้นั่นคือทอดอันนี้คือนอดอันนั้นอันนี้ยุคกีนากรมันไปว่าไรเดดทันมันโบก็จะมาว่าไม่จาตือ หุ่จับต่อสนี้ดอกเมื่อบ้านผู้ดอกมันก็แล้งโรดเดี่ยวมันก็บ่มากเดียวมันหู่นจับก็บ่มากนี่เขาบอกโอจังเห็นขวานหน้าพิจารณาเห็นมนุูย์กามข่มเป็นจริงเมื่อถูกจริงถูกอย่างมันจังติเบื่อตีนายขันเบื่อกันนายแล้วมันจังาย่ข่มจิตจิตมันจังหลุดมันจังพ้นมันตกมันง่ายได้บ่บัตรเพ็รมันอยากแต่ได้บ่ข่มบอกมันคือง่ายงานเพชมันถนาก โมเมนมันสิเกตไปวดเดียวโลยมันละก็เจอละอันละอันนี่แหละเขาละคนตัวเขาสักก่อนกิ่นกำตัววบาสก็เห็ดแต่กำดีบาสมันก็ติดควมดีกวนเชียสิค่อมค่อดีวะก็เดินไปจำเนียววันก็ไปติดดีมันก็เลยติดยุหันตั้งทุกยุหันบอกไปใสยมาใส่มันยากคนอมนี่ปันญาเนี่ยไงสลาดกรอบลูกตามค่อมเป็นติมัดยันก็ขึ้นตั้งรูนับไป กูจับบัสกแมวกูจับทงบ้านหมืบอกจับแมวพูดเขายากเรื่องิที่แล่นหาแล่นดังแค่นีมันไ่ันมอไปใส่มสมันเต็มสมาธิมันตั้งใจมันนี้ตางต่างใจมันเห็ใจจของได้สมองของเบิกใจมันมีเงินไหลมันดูมตีไปมสเยจะมาส มันเงิครับท so so ี่เอือมตั้งได้มามันไใจจะของบนจะของเห็นจะของกันเพราว่าใจมันบมมิโซมิตนปกติห่งใจไม่สิบิซ่งก็หวงว่าบริใจบระเทใจบนไม่ักบนลมสร้างแี่ยังมันเพลื่อนออกจากตานคือควาว่างมันถือเป็นจิตโลดฝน ขั้นเคลือ response, ่ like injuries, อนออกก็อื่นเ่มกึ้เพราะใจวันพุกข์ขาหลังนี้ออกไปแล้วนี่หนาทีนี่สานนี่หน้าหนุ่มกันหลุดไปแล้วมันต้องหาเนเหตุเหมือนอื่นลกยิดนี่จิตจับกรรมเหตดที่เหสิที่เห็ุตไปเป็นกรรมวันก็จะเกิดประเภทเป็นกรรมแล้วขั้นเห็ุดีก็อื่นกรรมดีขั้นตัวเ็อื่นกรรมตัวเป็นอย่งนันแนวมันมันเป็นแนวนั้น มันอยู่คือๆพอไปโมบ้านเอื้นเป็นใจอยู่งกลางๆธรรมชาติตาของใ จ, จเลยสัตวนภาวานาเห็นอยู่ตรงกันด่เห็นเพิงเพิงเพิงเึงไหนมัจฉะปฏิปทาสายกลางหนทางเดินออกจากภูเขาพระเจ้าว่าอยๆๆู่เพิงๆพิงนั่นเแต่มันเห็นโบถุเดยมันองจับ จักเกิดจังไรเหตุเคืองเคือจัอยู่จังได้อยู่เคืเคือมันออกไปบเป็นมาทันภาวน้าไปมันฝันิสงบแล้วจิตนั่นทันเป็นผูริสงบได้ทันมุสงบก็มันกติไปแนวหนึ่งของมันหันละทันสงบมันก็ติเขาไเป็นสร้างที่แรกมันก็มีวิสุกขิจารมันจิตนิจจิจารณาเบ่งรูเบ่งนิมิต ไหนอันนึงแด้วอก็ใสตรีสติปัญญาปิจารณามันโหโหอันนี้เขาเบิ่งนะเบิ่งขาดเบิ่งขันเนี่เบิ่งบางอื่นัน่มันบระถุได้ถือยูดมันถืทั้งนอกบ่ถือทั้งในมันมาอยู่กับปากกับขันเท่าดีทั้งนอกนั้นมันก็คิดแล้วบรู้แั่นอนันเอิว่ามิตาไ่เป็นสัมมาสมมาทิ ตสัมมาจะสมาจีนุบงเต่ในกายจะของเพราะนั้นเห็นมันเห็นที่ยังจะเกิดขึ้นนานั่งดิสตูดอกเพราะบิุดเด็กบคิดยังนั่งูิสตูขนังไปนนนอนดิตูที่ยังมันสิบมาัมัดห้อนะตาเบิงดิสตนดอกมันสิห้อนสีหนาว่มดทุอย่างสิบมคือหรือมันสีนี่มเจ็บข่มปวดมากรือมันสีแสดงนีมิตอันนั้นอันนี้มากในสีนาตะเบิงก็คือบอ้ไปคุดยังได้ กันคุดนู้เป็นบ้านที่กันคุดบแมนเลยอานะมันม่สัมผัสคือมันไม่ให้เขาเห็นนั่นแหะสัมผัสกับตาเขาเนี่เเดียวเห็นต้นนั้นแหละเขาก็ติหูว่าอันนั้นอันนี้นะมันมากแต่ใจสิมาอดมาถึงกันที่ญานควบดูซึกสินะมันมาสัมผัสกันเยควบดูซึก บามันตีหอนหรือบันตีเย็นเอิญบันนาเงี้ยนะแนวมัน่าโมมีอย่างนี้มีดินนามไปล้มก็หมายว่าเย็นหรือนาบนาขันเย็นเย็นเอิญนาบเห้ยโมเมนต์นเย็นเอิรล้มอ่านหอนเอินไปอ่อนๆเอิญนาบแข็งแขงเอินดินอ่ะดอกหนึ่งมันมีต่วนี้แนวสิมากโมเมนต์น so, an so, so, oh? so, sure oh? so, ีอ่านเมนูคนมาก แเม่นเน่ามีเดีวมากมันประกอบด้วยดินน้ำไฟล่มนึ่งน่เ อ, าอา็นวัาธ า, า, า, า, า, า, าตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุล่มมาสัมผัสกับห้องมันสีมาเน่าอะไรกะเบิงกะเดนววัดมันไม่หยัง่งตรวจตราพิจารณาคือเฮ้ามายามกันนะถามข่าวก็จะบอกเข า, า, ก า, าว่ากๆมาอันไหนเหตันไหนมาจางไหนนะถามห็นดูเรื่องดูเล่ามามาื่นไหน เขาใจกันนี้เรียบร้อยหูจักมดัดทยเนี่ยนันเอิญว่าปัญญาคือกลมหลอบรู้ในกองสังขานตามกลมเป็นจริงกองขังขานก็คือก้อนนั่นหนะกนะ้อนมั่งก้อนเหัเห็นนะ่ะพันมันเป็นนิมิตเป็นหลุมเลยพันไม่ทางนอกหรอกมันเป็นทางในกับก้อนข้อเห้านี่เดียวข้าเน้าบนในกายข้ากับบนก้อนของเห้านี่ก็ดินหนามแคลรมคือการก้อนของเห้านี่เดาไปให้มันะหูจักหูจักตามกลมเป็นจริง ว่าเฮาออย่างไม่เหตุลูกของเฮาเหมือนกับมีแต่ดินแต่น้ำแต่ไฟแต่ลมันไม่เหตเนาะโมเมนต์เนีเป็นของเฮาบาดเนี่เป็นของธาตุก็คือมันเป็นธาตเฮาโมเมนดินบมเมนน้ำบมเมนไฟบมเมนต์ลมใจน่ะโมเมนต์โตโมเมนต์ยังเมียวหากับโเห็นมันเป็นของบางใจน่ะแต่ว่าธาตขันนี่มันโมเมนของบางขัน ของมีรูมีนิมิตมีเครื่องหมายใอ้ห้องขอจักมื่อสัมผัสกันก็บหู้ขันมันห่อนของจักบ่าห่อนก็คือไฟขันมันเย็นของจักว่าเย็นก็คือลมขันอ่อนเกินว่าน้าเนี่ยขันแสงกับสีดินอย่างเดียวหู้ของกันเลียวหู้ตามควอมเป็นจริงก็เลยว่างกันเดวมันโมเมนของเฮ้าของจักว่าบมเมนเฮ้าสมาธิข้อมตั้งใจมันมันอยู่ในใจกับของนะ อห้จับนาทีของใจเหนือไม่นาทีแต่หูเพราดันใจนั่นมันหันหลอกว่าใจคือหูจริงที่มา่านเป็นรูปแบบเป็นธรรมะมาสอนเอาทีคือพอเขาอยากจับว่ามันเป็นอั่างไรเขาจึกมาอยู่ในรูปต่างอันนี้นระปปาธรรมร่างกายเราเป็นปรูปาธรรมน้ำกับน้าป่าธรรมเพื่อนจะแสดงเขาเบิ้งอ ก, ก็มาอยู่นี่ แสดงแนวได้กันนัหนักที่ทำมาคนแสดงันแสดงก้มเกียตคนกาเน่เจีตมาเหนเขา เ, เ, า เ, เ, าเบิง้งคนก็ตีกว่าจังซีละันน้ลูขันไม่ยู่นน้ลูกคนตีกหันใจเขาฟงมันจิเป็นจังซีละมันเกิดมาแล้วมันต้องเจ็มันต้องเจ็บมันต้องตายมันบมเทยียงมันเป็นทุกข์ันม่หยุดมาถืออันนี้พอโมเมนของเฮาของธรรมชาติขาขั น, ม, าานมันเกิดพื้น ตั้งยู้เราก็ดับไปมุ้ยไผเป็นเจ้าของกระทัม่มบนสแสดงอย่างนั่นดอแต่คนนั่นโลบุเพ็ญก็ะทั่มโมมีโตมีตนโมมีป่านีแต่แสดงอย่างพงโลดเข้าเรากาเอาเองเหลียวบาดคุดป่าเอาเหนียวเน่าคนมาบอกเน่นั่นเนี่ย น, น, นี่ไม่จังจะมันจีนเขาก็คุดตกันแล้วมันก็เป็นไป น, นั่นนีแต่กระทั่ปากบ่ปเป็ญที่เราเก็บก่อเจ็บเห็นพวโลดนั่นนะบอกคือเข้าว่ากันนี้ เขาบอกกนั่นเขาบอกโอซิได้มเมนของจริงมันนะถ่ามาเจ็บกัเจ็บเบาซนี่อันนั้นมันเจ็บไหนก็มีดี่ไปามาเจ็กรปวดกัเจ็บขึ้นไม่กายเาเขาก็เห็นโลดบาดอันนั้นเอิ่น่าของจริงการทาจริงจริงมันจริงได้เฮามนเห็นีได้เฮาจากจากว่าของจริงท่นเห็นได้ตำหนัาเพาว่า มี่กามแจไปรำมดาลนี่ก็มเจ็บตําลนงความตายรำมดานั่นอันนั้นนังบอท่านจริงเลยก้มบอกซื่อขับตัวหนังสือไ้ซื้อบุกจริงอะนะ่างไปเน่าดันละมันนังบอทัานแม่น่ะนะบอกางจ่อฟังคื่อว่าแจเจ็บตายบัตรมันเ็นอยู่ในเฮ้าเห็นในเฮาจังมันแม่นของจริงบัาก้มบอกเขาบอกไปชื่อมีแจตำมดาเจ็บรำมดาลตายตรมดาน่ะมันบอทัานนีในเฮ้าบอท่านเห็นอ่นะ แต่ว่าเกิดแนวอีดบุญบมันแจไปก็เห็นแนวมันเจ็บก็เห็นแนวนั่นแหละแต่มันของจริงบาตเอินว่าเห็นจริงตามข้อมเป็นจริงเอิญว่าปัญญาข้อมรอบรู้ตามข้อมเป็นจริงคันหูจริงเห็นจริงแล้วยทั้งทิมันไม่หายสงสัยได้หรอกแน่น่ะคำว่าหายสงสัยนี่มันสิเกิดอันนั้เแล้วเกิดปิติบาตรเกิดติฏิคือข้อมจิตใจบาต พอหูจักแล้วนะโมมีมนต้องใจก็อิม่มอกอิ่มใจบวานมันแจ้งนะมันแจ้งในใจแล้วกะกี้ ม, มันโูงจักพิจนาหูแจ้งเลยเกิดพววมอิ่มใจก็เอินจิติบาดจิติสากขึ้นในจิตในใจพอหูแล้วบาดนี่มันก็แกนะ จ, จ้งว่าใจก็แจ้งพววมอิ่มใจนะมันมันหายอ่ะ น, นะแจ่วิส่าพ่วมวงจักนะมันก็รับไป มันหูแล้วมันแจงแล้วแล้วอิ่มอกกินใจหวันมาหนึ่มนันติแจงสวางสวัยใจก็มีเงี้ยนะหวันแจงเฮาดีอกดีใจเนะ่ตื่นต้มดีใจบ่มีอย่างต้องใส่ด้ำในถาด้นขันนะขบงมือแหลมมือแน่วหวง่างนันแล้วพันเอิอปิติทุกมีความทุกไม่จิดไใจเฮาหัทุกจนัตทุกหลายได้ก็ทุก ห, หน่อยนี้ มันอยู่ดีมีแห้งโมมีแนวสงสัยมันเรามันอาดีอกดีใจเองสั้นมาคือเข้าในของดีๆแนี้ยเขาจะได้เองสั้นมะมันสมใจของเราดีใจสั้นละบ้านอันไหนมากดีใจอันนี้คือกันเตจีมันโมจักมันูมตามก็ไม่จิหรอกดีอกดีใจบ้านโมมีบนห่วงมันแง่ก็ดีใจแต่มันสิเข้ารู้ดีไปดีไปเมื่อเข้าดีใจนคือเข้าในนั้นในนั้นอันนี้ดีใจแต่มันก็ค่อยเข้าไป มันดับไปก็มันเศ้าดับไปก็ั ง, งเนื้อตใจบาดคนอืน่นเอตคตาคือจิตเป็นนึบาอยู่ผู้เดียวดีอก ล, ลีเจมกับไปได้บามันก็เลยอยู่กับใจเขาบาดอยู่เันสันเดอยู่กับปรุลูกคือลูกหมดแล้ววันเขาตรวจมาหุ่กตั้งแต่ตมม น, น, น ม, มันุ่นเนันแดดมันปิดจีเขาของจักเราพวกจัก บาปนี่เมื่อกันนิจใจเขาบาปอันมนันมันดับไปหมดหนาวปานมากมันดับไปดับไปมันยังเป็นพลูกหวานลูกเกิดมุขะลูกนเจ้าของเองว่าบมมีแนวห่วงแนงง่ายโมมีอันไหนปิดนิใจเขามันได้ว่างสนองถ้ามันว่างแบบจังมักเปิดอันนี้แล้วผู้เปกาว่างสวยบ้านว่างสวยนิจจิงท่างหายทั้งพวงมดโมมียังปิดบาน มันว่างอันนี้อันนี้เพื่อนว่ามันเป็นส้างในอันมของสร้านมันเป็นอารูสร้างมัมีตุมนิตุนมันตำบายบาดเจ้านอนเจ้ามีแ้งกันหรอกนอนก็มีแหงิดมันทำงานเมื่อยมันตรวจคนไม่จะปุ่ลแต่นมันปุ่มมาเกินหอดสีมันอเมยบาดบาดนี่เจ้ามีแห้งของสร้างสร้างเขาขึ้นไปหอดส้านเท่านี้รอก เพือเอาเุนเนื อ, อนี่ยไปร้างสะพานก้อนสีขนกับบันไหนี่หาขันตีขุนเขาไปหอด้วยงานหอด้านหาันมันก็อารมณ์ของด้านนั่นเดียวเมื่อไรมาวหนึ่งากาอหายางอันเนี้ยส่วนบันไดใต่เต้าทีเขาซูเขาขไปห่อ น, นขุนเขาไปส้า น, ะนสะพานขนาดไปหอด้านเนี่ยคือว่างว่างนั่นเดียวบาอยากนั่งก็นั่งอยากนอนก็นอนอยา ก, กยืนก็ยืนวันหัน มันบำวันสบายเด้ของจอนอนอยู่ก้านเขาอยู่ในก้านเ่านั่นน่ะเขาเสียไปใสีไปเห็นบดืนอกตื่นใจมีแห่งกันเด็ดดีอกดีใจล้มกพักถ้าม่เหนื่อยนีไหายจนขึ้นแห้งขับหรมอแห้งนอนอยู่วคุณที่นั่นแหละ้านเร่งตั้น่ะนี่ตะพ้มมีแห้งนีตะค้มสบายฉะนั้นเราหลงนอนหลงพ่นกัแล้วพอมันดีเี่ เราบ้องจักว่าที่เขาเป็นเงือนแหนบมันม้วน่เลยพักยูหนเลยในยูหันบ้องจักเง่นที่เขาใช้บ้องจักนะเอ้ยในยูหันน่นยนมันม้วนนี้มันทามานอนหลับก็หนาไม่ตื่นมานอนหลับยูหันตื่นมันนี่ยัหไงเราลับกันนะนี่ยังไงเราับจ่อยไปเสียแนตื่นขึ้นมาแบโง่อมาของเก่าแวโง้อมานอกสี มาพอกขาไปบ่านคนตืนตนาา่นขนนึาาาาขนน้น ม, กมากมึงก็ิมหาพมซุกบานนี้ก็มหาตีตีแนวมาหาน่เนยังอี่ตกมจานสี่พวกมันจะกลับ้นมาพี่มาหอดีตกมจานมาถิ่มาพี่รนานันอันนี้นีนะหาเรียกเทสบัตขันน้เขาก็ตื่นขึ้นนั่นแน่แลุกขึ้นมานั่นเดีวต้างนาตั้งตาตื่นดีใจนะเนาะ มันไม่แห้งวานนี้ก็ย่างงก็หาเนี่เบาดนันแหละคอหาแนวยนั่นเนวนี้เจี๊ยบต้องใช้เนีไปเฮเป็นกันต้องใหยกเจ็บไปมันเมื่อยบาดมันเมื่อยหรือว่ามันแลีวนะมันแลี่เวแยกมันก็มีแห้งคือนนั่เดียวเลี <uggling> ่ยวแยกก็มีแห้งใจจะเกิดปีติข้อใจคือเกาหนักลบไปของเกาหันเดวลบไปคือเกานึ่งนอนยืดฟันคือเกา่มันเป็นกัน ทันสมาธิอยู่เนี่มันได้ในหอวหันเท่านะั้นบกายหัน ห, นหัวหันเราเศ้าทุดันกรลบมากทุกหันลบมากว่ได้เขานี่หันจะเตือนมันบ่าจับติดไปติดไปจนไในงันมันหมู่จับวิธีเข่าไ่ได้เขา่าโบได้เผินนาวหัหันหนี่พุมสุกเต็มที่แล้วจิตเขามันหมดหันทุทหันท่านไเศ้าหันเกินเราโบมีอาเดนาหมดจิตแล้วเต่าเมียสนอกขันบรุกมันบร็ด ก็เลยว่าเมนมันพุทหันนาอันทันฆ่าอนุหันแนะคนคือว่าดอยุบวันดวงว่างนั้นวันนี้อันเย็นๆนั่นกะพันเข้าหันแนวก็ฆ่าหันมไปอีกไม่งั้นมันโูงจักขันโมวิปัญญาโมงจักดอกบนท่เขาหนี้เงินมหุว่าเขาหนี้เงนมเป็นสั่นด้มันบ่ได้เขาสร้างเขาปนันหนี้เงินบ่ได้เขาสร้างคนต้องยุบว่าง อยู่เฉยๆปกติของใจเขามันบมไปอยู่จังใจมันหูหมดว่างหมดซืด่อนี่อยู่ธรรมดาธรรมดาเขานี่ดอกตั้งใจว่าอยู่เคืองๆมัชฌิมปฏิปทาอยู่กลางๆกลางก็กวมนี้ลัวน่ะนะกรรดีกรรมตัวนะนะอยู่เคืองอนะนะๆคืหัวคือเกีย น, นั่นะนะี่น้นะั่นน่ะกรรดีกรรมตัวคือัวนั่นองโตนั่น ตันึ่งีตัวหนึ่ง่วงชนะเฮาเราอยู่เครงคือผู้นังน่ะนั่งขับเตียนน่ะนันะใจเยือกชนใจคือแต่งยันะแนวนั้นละน่รู้เครื่องนเฮาทางนั้นกักต้นหนึ่งดีตัวนึงมันจิตัวคือกรรมเฮามันเห็ดหนามีกรรมดีกรรมตัวเฮาเรานั่งเครองเคิงฮันดออกเตินวามัจิมะอยู่เครืงเคงกลางๆแล้วบห้ฮักไม่หวาน บ่อยหักผู้นั้นบ่อยสร้างผู้นี้นะท่านผู้ดีมากก็บ่อยหักเล่าก็บ่อยสร้งเล่าท่านมหาวูตัวกับบักบวชสร้งเล่าคือกันนะอยู่ว่างๆเพิ่นๆเอิ่นว่าเนียนขล้วกันเอิ่นว่าเยียงเอิ่นว่าเป็นทัพเอิ่นว่าใจนั้นตรงใจบ่เองนเอียงบวชหักผู้นั้นบวชสร้งผู้นี้เอิ่นว่าเยียงเอิ่นว่าตรงอันนั้นแนวคือใจมีอยู่ขนาดท่านน้ มันบอกมีหักมีชั่งนั่นเด้แต่มันอยู่เทียงๆต้องโตรงนนเใจขันเปใจเน้่มันก็มันก็มัดคอมันก็สิไปว่านแต่มันหูยงเงนดนบาดใจน่นบอกก็บอกก็นอนหลับเด้หูอยู่ตลอดยังมากกว่าหูยังมากกว่าหูแต่มันบวติดจังแนวมันหดจักแลมันไปโรดว่านมันกบว่างโรดมันุกมากมันก็บวดติดทุกมากก็ปวติดมันหูอยู่ซื่อๆนี่ เพราะว่ามิหนาที ร, าารูร้หน้าใจขันบารูผิดไดบาตรหันใจบารูผอดยังมากเพราะหูหนีดเพราะใจมิหนาทีบกดูจักอันนั้นอันีมากหันหูขงกันถ้าบูหูหนีดโลดเพราะว่าขาดสติมันมิมีสติจัมบาลโมของมันม า, เากเฮาเบิงเฮาเบิงเส็ยแังไหนมันกน็ผิดแต่เดวจริงที่มากคือพระธรรมมาสอนใจมาแสดงให้ใจเฮาเบิง ขันเขาบัเบิ้งมัก็ผิดแล้วเฮาแต่บเบิ้งแล้วผึ่งป่อยติดซึ่งซึนี่ดอกมั่จำถือเบิ้งแล้วก็ว่างลงเจ้าได้ว่างนะพะเจว่าอันนั้นอันนี้มาแล้วก็ป่อยก็ว่างโนดบัยึดเป็นใจโมว่าอันนั้นจะเป็นของเฮาอันนี้ก็ของเขาของี่นาบัหักบัตั้งบัดีใจบัวเสียใจนี่จริงจริงหเห็นนั่นมาแนีมันก็ว่างโนดว่างโนดก็ว่างมันแค่เนี่ยเอินวางนี่มันอก ใจว่างทังสั่นมอเมนว่างความว่างอากาศจังที่ว่างจากการดิบ ก, การเกาะการติดที่คืนอุปทานคว่บริยึมันถือมันในถาดในขันในโตไผโตม่านนัน่นคื้อนี่บัวกับธรรมด า, ด า, น, านี่ยเดียว่ามันว่างในบัวได้เห็นยังในหมดยื้อซื้อธรรมด า, านี่มันว่างในจีงใส่มันขลิ่นเพรานั่นมันจะไปเกิดใช้บาตมันโมหองอย่างบมติดอย่างอย่นีน้น มอวแมนลบดีเาสร้างลบดีได้ลบดีม้ว น, นี้บเบิ้งม้ว น, นี้โบเห็นม้วนี้ชนามันอยู่สบายเพรามั่นถูอันนี้หูวัดเห็นวัดแต่ปติจะแน่วตื่นจะ แ, แน่วขนันหัวขนหลาสบายดไม่เห็นเป็นสนั้นนะไยั่เอาใจอะไรเคงๆําดีคำตัวทั้งสองข้างกดงให้เบิ่งนะั่นเกินพระทอย่าไปหลงสนนะ สอนนะฮะักจักตู้ น, น, นี่เป็นัทีวการปฏิบัติถึงนัตจังที่เหตุจังที่แหตพิจารณาไปแนวน้ตรวจตาจะของนั้นบริเเอาหนังในการเห็นในนห้ใล่างพวมดีวมชัวมันติดอยู่ในใจมันอันนันวมันเป็ น, นมโนทิพของามองควมดีนั้นมันกรติดบาดนี่ค่วมตัวมันกรติดติดใจเฮานั้น พันดี้พันหักนั่นนาพันจัวพันสั่งนั่นอ่ะให้ล่างม้วนนั่นออกม้วนหักเขาออกม้วนสั้งเขาออกให้ใจมันสว่างสวัยมันเป็นม้วนทิ้นไปติดใจเกเอ้นกิเลสเอ้นตัญหาเอิบเครื่องร้องในจิตในใจถ้าไม่ใจสมองอันข้อมักข้อมสั่งนันนี่พันโมมีความักข้อมสร้าง ใจมันจะเบิกบานโดบานใสงามขาวสะอาดเจ้าสั้นเราอนจ้าสั้นแต่คนว่าในร่างสั้นในด้านจิตใจซ้ำละจิตในวัตถุสะอาดเฮ้ยสุดพุทธพ้องเป็นยังบอกของสันนี่เจ้าสันได้อ่านเจ้าสันบ่แม่นอยากได้อันนั้นอยากไปอันี้ดอกเขาภาวนาเพื่อร่างควมดีควบสวดฝังอยู่ในใจนั่นันอออกมันกะมาเกิดอีก เย้าดีว่ายแต่จ้างตัวว่ายตามไมใจนึ่มันตรงมากพุมดีก็คือกรรมนั่นเขาก็ว่าไปนี้กรรมเป็นของของตนนี่กรรมเป็นผู้มิทุนนี่กรรมเป็นแดนเกิดที่พวกเกิดได้จังไหนพราบว่ากรรมเป็นแดนเกิดอยู่แล้วท่านมุจลไปติดนึ่งเฮ้ยทนไปติดว่าดีเขาเข้านั่นแหละเขาไปเกิดนั้นดีเยู่แวเขาก็บอกก็ได้ว่านี่กรรมเป็นแดนเกิดนี่กรรมเป็นของของตนะ เจ้าเห็ดดีเจ้ายุดดีเจ้าไป เ, เกิดนัำดีใ้แนวบานอันนี้ทตัวเจ้าก็ไปเกิดตัวนดนแนวเพราะจะยึดกันนั้นนั่น น, นันนรัต้องวาง่างทั้งองอย่างมันจังว่าเกิดว่างเมิดดีกับ ว, ว่างตัวกับว่างวาง ม, ามนนี้ดอกของมันนี้ในโลกม้วนหนึ่ง อ, อนนันดีกับตัวมันมีอยู่ในโลกก็หนันอกโลกแล้วผมนีอันดีกับตัวบอใจยูน่ะใจอยู่นะยางว่างผมนเนี้ย มือในใจบ่มีแนี่มีมิถุนก้มบางค้มสบายบ่มีกรรมรีบบ่มีกรรมตัวย่างใจหนึ่งขันมีกรรมหนึ่งมันเป็นโลกมันเกิดชีิตเกิดก้มปุ่งค้มแตงมันจะมีกรรมขันน้องบื่อนออกจากใจนั่นกรรมบ่มีมันก็เลยบ่มีทุกมีทุกนะนะบ่เหลือบ่มีหล่อนใจบ่มีเนี่ินย่งขันยูไปใจนึ่นีิถุนก้มสบายทาเดียว เออิวัตถุแต่บาดยุหุนอยู่นงใจมิจะสุขมันมีทุกข์ผ่นมาอยู่น้าโลกคือร่างกายนี่มีแต่ทุกข์บาดยั้งก็ทุกข์เหตุทำไมอยู่ก็ทุกข์ร่างกายนเพราะมันทุกข์ก่อนทุกข์ของหนักของบะเตียงของเคลื่อนไหวไปมากอยู่คงทีพได้มันเป็นยังที่เอินมันบเตียงงูจับ่างสั่นไ่เชื่อพระพุทธเจ้าช่งัน มันมาบ่เทียงมันบ่เทียงจากท่านหลัมันบ่อยู่คือหลักคือตอนี่นั่นหลักมันหดเทียงออยู่ซื่อๆมันอยู่บ่ได้มันตกเคลื่อนเพราะมันมีรูปมีหลักมีสติที่สมาธิมีปัญญาแล้วก็มีอาการแนวนั้นนี้เกิดขึ้นเลยเจ็บปวดประหนรมรรคมันมีการเคลื่อนไหวท่านมันบ่ได้รูปหลังของเฮ้าหน่อยมีการยืนการเดินการนั่งการนั่ ในอริยบฟทั้งสีนี่มันต้องไปอย่างสั้นนั่นอาเอิหมันบดเทียงบาสนี้หันบดเทียงันมันก็ถูกแก้วบานมันถูกตีใจเขานี่เข้าไปอยากให้เป็นทางการขบาสันมันแก้เขาก็บปอยากให้แก้หันเจ็บเขยากใเจ็บหันต้ายเขากยากให้ต้ายนั้นมันเป็นอย่งสั้นใจหวานก่อที่ทูกข์ยแล้วไปห้ามจีดินห้ามน้ำห้ามไฟห้ามลม โให้มันเคลื่อนไหวไปมากโให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้บางกัของธรรมชาติที่ยังกระเจ้าถึงเจอคือแนวย่อมหลับไปเป็นธรรมดาเนี่ยพักการเบาอยู่พักการวายอยู่มันนั่งวายอยู่จะควบเบาู่คือสัญญาควบจำเท่านั้นมันบอเข้าถึงใจมันบอกหุจับว่ามันเป็นของธรรมดาโมหุจักอัญญามันเกิดได้ัวแล้วโมหุจักมันไม่ได้ทุกข์เพราะอันบานทุกข์ใจในแนวมันโมหุ ได้จะควมจำบอาตือมันมาหอดใจอันเสิรใจนี่ยมันมันมาเป็นยั่งบ้านมันไม่จับมันว่างเมดมันโห่วงเนี่ยมูนีเนี่ยมูนีเหมือนเป็นเรื่องของโลกตั้งแต่ตือว่าโลกมัน้ธน้ำอ่างใจเฮโลกเก่าอยู่จะไม่ติดตามต้องเป็นทุกข์พะมันหนาทีของโลกที่เป็นต่างหมุนเยี่ยนเป็นไปหอดย่้อนกะหอดงอหอดย่ำหนาวกะหนาว เป็นอยงที่โลกอันนี้หัดยาำหิวก็หิวมันสีดีวันไหนบ้างเขาก็พิจารณาตันเดีวมันจังสีเบื่อไลยมันเห็นเจาของเลยโตเจาะของวันไหนมันดีวันไหนมันเป็นปลาเอาวันไหนมันมีควอมซุกบ่งีังขันดอกมันจังสีเบื่อได้ขันมาบนกันโมเบื่อบนายเลยเห็นแต่ข้องซุกโตโตโคโตไผโตมัน่ พ่วมจบพ่วงงามกบมีเบิงวันไหก็บเป็นเต่าจับบอนนี่วะขันเบิ้งอี่ดอีเดันเบิ้งเน้นเน่นเบิ้งย่อมเบิงแตงเบิ้งยังขึ้นน่ะเหมือนันก็คือแล้วเขาอ่นเามางามแต่เบิงอดอีมันมางามมันเขาลอกเปิดเบิงเบึงจาหองนั่นเบิ้งแควมันตีงามบอแค่ขันเดะนี้แต่มันเอามันหมินขันเขาบัดพสีเพราะร่าง ปากเขาขึ้นกันมันไม่ใช่เสันเดี่ยวมันจะน้ำวันไหนมันจะเป็นตาเอาวันไหนบาทกต่เบิ่ลเข้าไปเองที่มึงจับอย่ตัวอ้าเป็นมึงที่ปากเป็นไหล่หันเป็นตะาจากนี่งบอจากแเแ้นเดวกเบิ้ลเข้าไปพูนละทงในในสีหนังออกไปน้ำกเบิ้ลหนักเบิ่งสมุิกับ่วกมันสีที่ดีดอกสมุดนะฮะสมุิคือเอาบาสีก็ฝันจะเป็นไงไหนนี่ยนะ ไเลิกไปลอกไปหุนอ่ะเดีวเบิ้งไปน้าบาดมันเป็นยังไงหัวก็ลอกออกผมมันลอกออกหนังนั่นสมมุดเขาเลิกออกออกเลิกออกมัดบาดมัดจนมัดโตเฮ้าเดีวสมมุดเบิ้งบาดสมมุิเห็นมันหยุดในเบิ้งเป็นยังไงบาดงามอยู่บอกคือว่างามเสะเจ้าทีว่างามบัวบาดนี่แล้วโลดจักปลาเลือดจักอินยั้งต่ออินั้งบาด โดดบันสีเอาม้วนสีจับสิบายบาทเขาไปใกล้กับวได้ขะนอหนังออกแล้วย่างพอบาทยานเลื้อแค่นั้นในบานนั่นบมกของงามในสั้นจักอีกย่างแล้วสิน้ำจินบาทบอ๊ดยังไม่จิกินีินแบบกินยางจินเนื้อมันต้องจินนกหรอกขะนอแมวนั่นที่มันกิ้นบัได้นั่นมันข้านังหอวใบยื่นมันบเห็นว่านั่จินมะจินย่างหนังหุ่มไว นแนวคือมันห่อของทต๊ะโปกบวายห้องหูจักขันคอนบวมมีสติมุ้ยปัญญาดับมะเบิงแต่นอกนี่หนังห้องนี่ดาบว่ามันสวยน่างามจะบัตรนรงการเบิงนอก น, อกนี่มันก็เป็นขันเดี๋ยวคนบวมเปิดเข้าไปเบิงข้างในเปิดหนังออกจังหูจักบับตรมุยบนจอดจ้าแนวมีตะบนบวมเทียงบวมฟงทีบวจบหัวง่าม บ่เป็นใจอยากได้อีใ น, นเราไมิหมิ่นยังตีนะาแล้วมันติ